ลักษณะนิสัยปฏิปทาท่านพระอาจารย์มันเรื่องอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทไทยเป็นโทษใหญ่กลัวใจไม่ดีนี้ก็แรงดีแลไม่ดีนี้เป็นผิดของจิตนักเหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลงกำเริบโรคด้วยพิษผิดสำแรลงทำไม่แจ้งเพราะอยากดีนี้เป็นเดิม คำว่าผิดสำแรงกับผิดสำแดงมีความหมายเหมือนกันนะครับเรื่องบทเรียนอันมีค่าเหตุการณ์ที่จะนำมาเล่านี้เกิดขึ้นขณะพักอยู่วัดป่าสุทธาวาสเป็นเวลา15้าวันก่อนจะจากวัดป่าสุทธาวาสชาวสกลมีคุณอารามรัชดากร จำชื่อไม่ได้แต่นามสกุลสุขคนธรชาติได้กราบเรียนท่านพระอาจารย์ว่าขอนิมนต์ท่านพักนานๆอยู่โปรดญาติโยมชาวสกล น, นครท่านอยู่แต่ป่ามานานแล้วโปรดชาวเมืองด้วยว่าแล้วก็ยกขันนิมนต์ถวายท่านท่านพระอาจารย์ตอบว่าอัตมาไม่รับอัตมาไม่อยู่ไม่มีประโยชน์สู้อยู่ป่าไม่ได้ โยมขุนพูดขึ้นว่าไม่มีประโยชน์อะไรท่านท่านพระอาจารย์ตอบว่าก็ไม่มีประโยชน์นะสิจะให้อัตมามาสั่งสอนพวกท่านให้เป็นอะไรจะสอนให้ฉลาดพวกท่านก็ฉลาดแล้วจะสอนให้พวกท่านมีศีลมีธรรมพวกท่านก็มีแล้วจะสอนให้พวกท่านมีกินมีทานมีใช้พวกท่านก็มีแล้วหรือจะให้อัตมาสอนให้พวกท่านเป็นแท่งทอง อาตมาสอนไม่ได้อาตมาไม่รับอาตมาไม่อยู่ชาวบ้านนอกบ้านป่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เขายังขาดแคลนอาตมามีเรื่องจะสอนเขาอีกมากแต่าอาตมาไม่ไปสอนก็ไม่มีใครสอนนั่นเป็นหน้าที่ของอาตมาหรือใครจะไปสอนแทนอาตมาอาตมาต้องไปสอนเขาเพราะไม่มีใครสอนท่านว่า เรื่องนี้ผู้เล่าจำไม่ลืมเป็นบทเรียนอันมีค่าเพราะในยุคนั้นไม่มีใครสอนจริงๆนอกจากครูสอนเด็กเท่านั้นเป็นความจริงแท้